แล้วม์ตร a n หน a ละล่๊ายุจจิสะพับน์ทุมม์ยุอัลลิฟุบัยน์น يؤلف بينه ثم يجعله كما فترون ق يخرج من خلاله ت ر و ن ق يخرج من خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ف َ ي ُ ص ِ ي ب ُ بِهِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ف َ ي ُ ص ِ ي ب ه ُ بِهِ فيصيب به م ن يشاء ويصرفه ع َ ما يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالبصر. أ يكاد سنا برقه يذهب بالبصر. يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة لأولي ا ل أ ص ا ر إن في ذلك لعبرة ل أ و ل الأنصار. ا ل ل a h u k h a l َ k َ l l d a b a َ i m م ن ّ م ما ي م ش على ب َ ن ه و منهم ما من يمشي على بطنه و ่ามีหนุ่ ش ไ ع ่ยิ้มชี้อลาเด ن ัยว่ามีหนุ่มไม่ยิ้มชี้อลาอับบะว่ามีหนุ่มไม่ يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. ق د أنزلنا آيات مبينات. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. วอย ق و ل ن آ منا بالله وبالرسول ث َ طعنا ثم يتولا فريق منهم ثم طعنا ثم يتولا فريق منهم ُِ منهم من, من وما بالمؤمنين وما بالمؤمنين الله بعد الحمد ذلك أولئك أولئك الرحمن الرحيم بسم نحمده ونستعينه ونستغفره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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي ض ر مع اسمه شريء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكباري Rabbi ر ั ب บ่เอากุศล ا ่ค่ะใ ن ا าญาบ ا ب นนา ل ์แล ا อาญาบ่ในล ي บร์อั ي ลอฮุมะฟินีในบัตันีและมะฟินีในสัมัยและ و ะฟินีใ ل บัซร์อัลสลามุอะลัยคุมพี่น้องที่ร่วมนมัสบุรุษที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนนะครับจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ชูกรต่ออัลล์ุบฮานูตาลา เพราะอัลลอ์เป็นผู้สร้างโลกใบนี้เป็นผู้รับผิดชอบโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวอัลลอ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างมนุษย์สร้างสัตว์สร้าง ส, สรรพสิส่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดอัลลอ์เป็นผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์อีกนะครับที่อัลล์ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วก็ชีวิตของมนุษย์เนี่ยอลัลลอฮ์ได้วางกฎไว้แบบนี้แหละถ้่ถามอาลัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นนกเนี่ยต้องนึกนะโอ้โหนอนอยู่บนกิ่งไม้อะ่ะมันดังสง่า ง, งามตรงไหนแต่ถามนกน ก, น ก, กมันสบายดีนะอยู่บนกิ่งไม้ก็สบายแต่เราเอาลัลลอฮ์ให้ปัญญามาก็ต้องคิดขอบคุณอลัลลอฮ์นะที่อลัลลอฮ์ให้เราเนี่ยได้มานั่งทบทวนอัลกุรอานนะครับ ึ่งการทบทวนคุรานเนี่ยเป็นคำสั่งของอัลลอ์นะอัลลอ์บอกให้อ่านคุรานอัลล์บอกกับนบีให้นบีอ่านกุรานนบีก็ทาหน้าที่อ่านกุรานจะทาฮันเป็นฮาระกเป็นฮารอคุรานนบีอ่านกับท่านยิบรนบางทีก็อ่านกับบรรดาซอะนบีทา <c oughs> การอ่านอัลกุรานเนี่ยเราต้องเข้าใจ น, นิดนึงนะว่ากุรานเนี่ยเป็นมุอาจิศาสที่มีชีวิต เป็นมั่วอัจฉริยะที่มีชีวิตในภาษาอุร du อธิบายปว่ากุรานกาซินดักมั่อจิยะคุรานเนี่ยตั้งแต่ถูกประทานลงมาวันแรกจนกระทั่งถึงวันเตียมาะนี่นะมีชีวิตนะคุรานมีชีวิต ส, สังเกตนะเมื่อไอ้กุ ร, นกรานทูกลงมาถูกประทานลงมาจากชั้นฟ้าเนี่ยนะ ยินยินชายตอนเนี่ยเคยขึ้นไปข้างบนตั้งแต่วันที่เอารอบประทานอันกรอ่าน ล, ลงมายินกับชายตอนไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปข้างบนบนชั้นฟ้าอีกต่อไปถามว่ายินกับชายตอนเนี่ยขึ้นไปบนชั้นฟ้าทําไมเนะี่ยไปสืบหาข่าวไปสืบหาข่าวตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้และจนกว่าจะถึงวันเตียมานี่นะ จราจรปิดมบนชนานี่จราจรปิดหมดเลยนะอะไระเฉพาะอัลกรุรอานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุสันละมจราจรปิดหมดเลยครับแต่หากจะเปรียบนะก็เปรียบเสมือนรถของประธานาธิบดีเวลาออกสู่ถนนเนี่ยจราจรปิดหมดใช่หรือไม่ใช่จราจรปิดหมดเลยทําไมเพราะประธานาธิบดีผ่านมา ทุกสอกทุกมุมจราจรปิดหมดเหมือนกันเมื่ออัลลอประทาอัลกุรอานลงมานี่นะครับจราจรบนชั้นฟ้าปิดหมดชนุษยตอนที่เคยขึ้นขึ้นไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นเจอเจอจราจรเจอจราจรเจอตำรวจทหารเต็มไปหมดเลยอัลกุรอานอัลลได้กล่าวบอกว่ามุลีอัตฮารุซันชาดีดามุลีอัตฮารุซันชาดีดาแปลว่าอะไรนะ พวกยินเนี่ยก็ใช้ตอนพยายามขึ้นเพื่อไปสืบความลับบนชานฟ้าแต่พวกเราพบว่ามันเต็มไปด้วยผู้ยามผู้เข้มแข็งเจอไปบุขึ้นไปไปเจอยามแล้วก็เปลว เ, เพลิงเป็นไฟด้วยยามด้วยแล้วก็เปลว เ, เพลิงบนด บ, บนชานฟ้าเต็มไปหมดเช่นดาว ที่ลุกเป็นไฟพุ่งใส่ยินและชายตอนทําไมจราจรปิดหมดระดับบนเนี่ยนะเพราะเป็นการให้เกียรติกับอัลกุรอานให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะอูบะซาลัมเมื่อรถรัฐมนตรีมาเนี่ยจราจรปิดได้ไม่ปิดไม่ปิดเฉพาะประธานาธิบดีอย่างเรียกที่จราจรปิดเหมือนกันเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ย คำพีก็ลงมาใช่ไหมเรื่องทางพีอะไรนะาการี่ยนเตารซา บ, บูตอินยีน ล, ลงมาหมดแล้วแต่จราจรไม่ปิดเขาไข้ขผ่านมาล่ะรัฐมนตรีผ่านจราจรไม่ปิดแต่ถ้าประธานาธิบดีออกมาเมื่อใดจราจ ร, ารปิดหมดฉะนั้นอัลกุรอาน ล, ลงมาให้กับท่านอบีมุฮัมมัดเหมือนกับประธานาธิบดีออกจากพระราชวังออกจากอะไรนะออกจากออฟฟิศเนี่ย จะเดินทางไปไหนก็ตามจะมียามผู้รักษาแล้วก็มีเปลวเพลิงมีตำรวจทหารยืนเฝาเ้าเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านนาบีมุ ส, สลิมเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในบรรดาบรรดานาบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้ไม่มีใครสำคัญเท่ากับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลาวสัลัมและกุรานก็เหมือนกันตัวนี้ ประทานลงมาจบแล้วแต่ว่ามัา่วอจีจาของกุรอ่านยังหลงเหลืออยู่จนกว่าจะถึงวันเตี่ยมาวันนี้ยังไม่เปิดนะข้างบนจะราจรยังไม่เปิดนะยังปิดสนิทและนะญาชลใช้ตอนขึ้นไปทำได้ไหมไม่ได้ยืนขึ้นไปข้างบนไม่ได้ทูงยามรักษาอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีเปลวเพลิงขับไล่ตลอดเวลาเป็นการให้เกียรติกุอานดันั้นคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกับจับ เชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى จะจอยปิดหมดแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ใครที่อ่านอัลกรุรอานศึกษาอัลกรุรอานหาความยุคอานหาความยูคอัลกรุรอานเหมือนกับจับเชือกเส้นเดียวกันเราจับอยู่ที่ปลายเชือกอัลลอฮ์จับอยู่ที่ต้นเชือกข้างบนนี่เป็นหะดิษของท่านนาบีสอนเอาไว้ขอบคุณอัลลอฮ์นะฉะนั้นบรรดาอัลซอบาด น, นาบี เป็นมูอัลลัฟนะรับอิสลามจะทําไมอ่ะอัลลอฮ์พึงพอใจกับอัคลากของบรรดาซอบา้นานนบีทั้งหมดเพราะพวกเขาอ่านกุร์รานและปฏิบัติตามอัลกรุรอานทันทีทันใดเลยเราก็เหมือนกันถ้าต้องการจะให้เป็นคนที่อัลลอฮ์พึงพอใจในตัวเราพี่น้องพยายามอยู่กับอัลกรุรอานพยายามหาความรู้จากอัลกรุรอานแล้วก็คิดแต่ละคําแต่ละคํามีความหมายหมดเลย เพราะเป็นวัดจีาที่มีชีวิตชีวาตลอดเวลาดูล <c oughs> ิลละอาวันนี้มาดูคุรานนะข้ <c oughs> อที่42เนี่ยของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวะลิลละฮิมุลกุสมาวะติวะล้อบิวะอิลลอหิลมซิร์ข้อนี้อัลลอฮ์ต้องการจะสอนบอกว่า เป็นของอัลลอ์ทั้งหมดนั่นแหละปริมณฑลแห่งชานฟ้าก็เป็นของอัลลอ์และแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ตรงนี้นะก็เป็นของอัลลอ์ดวงดาวทั้งหมดบนชานฟ้าอัลลอ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไวลัลลอฮิลมัสซิคและก็ยังอัลลอฮ์จะต้องกลับไปทุสิ่งทุอย่างจะต้องเสียหายหมดพินาศหมด แล้วก็มนุษย์เนี่ยก็ถูกฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอหน์นวันเตียมาะนี่เตือนใจเราตลอดเวลาให้นึกถึงโลกอาเซเร์ร็อกเยอะๆทีนี้การจัดการของอัลลอฮ์บนชั้นฟ้าเนี่ยจัดการเรื่องอะไรกลัวมนุษย์จะลืมอาย่านี้อายาต่อมาที่43อัลลอฮ์จัดการเรื่องน้ําเรื่องน้ําฝนอย่างไรที่เรียนวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมล่ะ ต้องเป็นอย่างนั้นเมฆเป็นอย่างนั้นเมฆเป็นอย่างนี้รวมตัวกันเป็นงานเป็นวงาตัวดูอัลกุรอานอัลล์เนี่ยจัดการฝนอย่างไรดูอัลกุรอานนะอาดัมตารออันนบลลอฮยุสจีสฮะบะซุมมายูอัลลีฟุบัยนะฮุซุมมาจะจัลูฮูรุกาม ฟ้าร okay, ้อนว่ากอยา ج ُ مِنْ خِلَالِهِ เอาแค่นี้ก่อนนะยาวอันนี้ยาวนิดนึَّ اللَّهَ ي ُอْ ج ِ ي س َ ح َ ا ب จ ا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ฟ้าตรวลวดว่าจะ خروج จากนั้นขอขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอบคุณรอบคุณพระเจ้าขอบคุะอบคพเ้าบอกกับพรเาบคุณพะาอุรเ้าขอพรเาขอคุร้าอบคระเจ้าขอบคเ้าอะามอระาขอเาอบคุณพระเจาคพรเจาคณพรจาบณร้าบณร้าอบรเาอครเ้อคุณเ้อคยใช้าขอบเาบคยใช้าัญญาบ้างอบ้ เพราะสิ่งที่ใช้ปัญญามีอยู่สิ่งเดียวคือมนุษย์นี่แหละสรรพสิ่งทั้งหมดที่เอาล่อสร้างมาเนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดเพราะมีปัญญาแล้วมีสมองมีหวัวใจอย่างอื่นไม่มีนะครับอลัมตาอคนที่อ่านกุณานหรือนบีมุฮัมมัดเอยเคยไม่เคยพิจารณาดูหรืออั น, นลลอฮ์แทจรัลลอ ยูสจีสหะบาสหะเป็นว่าเมฆสหะเป็ว่าเมฆนะครับเคยสังเกตดูเมฆไหมเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเคยสังเกตไหมยูสจีมันลอยอยู่มันลอยอยู่เป็นอะไรนะเป็นบางบางก้อนเมฆเห็นไหมนั่งเครื่องบินจะเห็นนะบางทีก็มีน้อยบางทีก็มีมากบางทีก็มีเยอะไปน้อง แล้วเครื่องบินนี่นะส่วนใหญ่เขาจะไม่กล้าบินผ่านก้อนเมฆโตๆเน่เขาจะเลี่ยงอันตรายน่ะโอ้โหอันตรายจริงๆนะอลอัลตอฮอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮอัาลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัาลออัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอฮฺอัลลออ พระเดชาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความสามารถขนาดไหนหดูสิ ย, ยุสจีซาฮาบาเมกเนี่ยที่มันล อ, อยนะลล อ, อยู่เนี่ยนะกําลังลอยลอยอยู่เนี่ยว่าใครให้ล อ, อยอะัลลอฮ์ให้ลอยอยู่แล้วเป็นไงซุมมาอยู่อลลีฟุบัยนะฮูอัลละฟาอยู่อลลีฟแปลว่าประสานกันเอามาประสานกันเอามารวมกันเอามาอยู่ด้วยกัน ใบนาหูในระหว่างเมฆทั้งหลายไอ้เมฆบางๆที่มันลอยอยู่เนี่ยนะอัลลอ์ให้มันมาอยู่ด้วยกันเอา ม, มาประสานกันแล้วต่อมาครับสุมาญาจัลูรุกามา uh หลังจากนั้นอัลลอ์ก็ทำให้มันรวมรวมกันเป็นกองใหญ่อัลลอฮอักบัดให้เมฆเนี่ยรวมกันกลายเป็นกองใหญ่เมฆใหญ่เลย เคงบินไม่กล้าเดินผ่านนั่นน่ะนอกจากครบินลำใหญ่ๆญญญเล็กๆนี่ลีกหมดแล้วพี่น้องถามว่าทำทำไมเนี่ยนี่น ะ, นนะอลัลลอฮฺจัดการบุนชันฟ้าแบบนี้จัดการเรื่องเมฆด้วยเห็นไหมจัดการเรื่องเมฆทั้งหมดไอ้เมฆที่บางๆบางที่มันลอยๆอยู่เนีเอ่อัลลอฮฺก็ค่อยรวมรวมรวม สมัยยะยะลูหูรูกามาแล้วก็ทำให้ก้อนเมฆนั้นรวมกันเป็นกองใหญ่เป็นก้อนใหญ่โตๆเมื่อรวมกันแล้วเป็นไงครับฟาตารอลวัดยาครูจูมินฮิลาลีว่าจะแปลว่าฝนฝนโปอยโปรยลงมาเนี่ยเรื่องฝนอย่างเดียวในในภาษาอังกฤษมีประมาณ200ร้อยสอคำนะ ฝนเป็ดตกมาเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สามโอรอนี่ในเฉพะาะภาษารับอย่างเดียวนะเรื่องฝนอย่างเดียวนี่ประมาณร้อยสองรอกว่าคําอ่ะเอาละถเรียนวิชานี้ตุเรียนภาษาหรับตรงๆนะอัลลอฮฺตะกูตแปลว่าอะไรนะฝนปล่อยโปรยน บ, บีเคยสังเกตไหมคนอ่านกุนอ่านเคยสังเกตไหมว่าฝนปรยโปรยเนี่ยมัน มันยากรู้อยู่มันออกมาจากอะไรนะมินคีลาลีหีท่ามกลางก้อนเมฆใหญ่ๆฝนโปอยๆมันออกมาจากไหนเนี่ยมันออกมาจากก้อนเมฆใหญ่ๆที่รวมตัวกันเป็นกองใหญ่ๆเนี่ยฝนโปอยๆอ อ, ออกมาจากนั้นนี่ความสามารถของใครของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาใช่ไหมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอัลลอฮฺสอนในวิทยาศาสตร์ในกะฟิคุอาน มันกเอาไปคิดต่อกันอะไรการทำเป็นหนังสือเป็นเล่มบังคับาาพายนันเรียนเรียนแต่ไม่เคยเอ่ยอโลสักคนหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ไม่เคยเอ่ยวันนี้อโลให้มานะชันวิจัยพบอ่าให้นักเรียนหลงไก่คนพบนั่นแหละจริงๆใครเป็นคนจัดการอโลอจัดการบนชานฟ้าจัดการอย่างนี้เรื่องน้ำฝนไม่ใจมาเองเอโลอจัดไครก้อนเมฆเนี่ยที่มันบางๆเนี่ยรวมตัวกัน แล้วก็เสเร็จแล้วก็กลายเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ให้มีฝนโปรยโปรออกลงมาจากก้อนเมฆก้อนใหญ่และต่อมาครับ <S <S อยู่นัดินเนี่ยแปลว่าอัลลอส์ทรงประทานคือไม่ใช่ประทานมากๆประทานทีละเน็กทีละน้อยทยอยประทานลงมาทยอยอะไรนะให้ฝนเนี่ยตกลงมามินัสมะจากอะไรจากช้นฝ้ามินจีบ้านินเดิมจิบ้านแปลว่าภูเขาแต่ตรงนี้อธิบายยังไงอธิบายบอว่าฝนเมฆ ก, ก้อนใหญ่ เป็นน้ำเท่ากับภูเขาเลยเนะี่ยใหญ่เนี่ยออกมาจากนั้นเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะถ้าเมฆ ก, ก้อนใหญ่มาร่วงลงมาเนี่ยถูบ้านเราตายไม่แหละแต่อะไรยึดเอาไว้อะแต่ให้น้ำเนี่ยออกมาจากจากจากอะไรนะจากภูเขาอันใหญ่ๆมาถึงก้อนเมฆใหญ่ๆเนี่เก็บน้ำไว้บนนู้นเนี่ยหนักเท่าไรเนี่ยใครดูแลอยู่ ให้นักวิทยาศาสตร์ให้พวกเราคิดใช้ปัญญา Allah. อัลลอฮฺอัลบนี่แค่เรียก็ห้อิมานเต็มแล้วใช่ไหมนี่ขึ้นใบบนชั้นฟ้านี่พี่น้องเอานะีอาตอมาอะไรตกลงมาครับให้ไรประทานลงมามินบรารอดินบารอบราบาลูกเห็ดอัลลอฮฺอัล <c> บ <oughs> ผมไปนั่งที่ที่ไหนนะที่ไปธนาคารประจัการายมุชมบัญชี ผมอ่านหนังสือมาอ่านธนาคารเขาก็มีบริษัทหนึ่งอันนะประกันลูกเห็บตกลงมาบางคนอันตรายผมนึกถึงกรุงอนานาญาณนี่เลยกาลังอ่านอยู่พอดีแล้วก็ไปไปตนาคารไปเจอลูกเห็บอ๋อลูกเห็บตกอันตรายนี่กรุงอานเผยแล้วมินบาราดินในการที่อัลลอฮฺให้ฝนตกลงมาดีนะบางทีก็มีลูกเห็บด้วย และลูกเห็บเนี่ยเป็นยังไงฟายุสีบุบีหีไมยะชะฝายุสีบุบีหีไมยะชะซึ่งตกลงมาถูกใครนะถูกผู้ที่พระองค์อลัลลอฮ์ส่งประสงค์ยู่ีบุลูกเห็บตกลงมาถูกใครถูกคนที่อลัลลอฮ์ส่งประสงค์เห็นไหม แสดงว่าลูกเห็บเนี่ยเป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายครับนี่อัลลอฮ์เล่าในคัมภรกุ ร, การอนานอาจจะนี่ลูกเห็บแล้วหล่ลนลงมานะทําไงไปท้องหลายมันทําลายอะไรบ้างอะ่ะมันเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าภัยธรรมชาติแก่พืชแก่สัตว์เลี้ยงแก่คนใช่ไหมแต่นี่ไอ้ลมที่กรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่กับลมเล็กน้อยวิ่งเก็บใส่พงใส่ปากันอะไรกันเอามาถือนนอะไรกันคว้างในในอะไรกันนี่กัเด็ก แต่จริงๆเนี่ยลูกเห็บเนะี่ยบางบางบางประเทศเนี่ยนะบางจังหวัดเนี่ยตกลงมาแล้วเป็นอันต ร, รายกับคนก็มีที่เราสอนนะครับพี่ครูเป็นแล้วนะแทนที่จะเป็นเนี่ยมะกลายเป็นบลัลลเป็นอาซาบก็มีฉท่านนบีเลยสั่งนะสั่งพวกเรานะพ่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ามิยุกลมเดียวเท่านั้นแหละเวลาฝนตกลงมาให้ขอทูอา้าสั่งพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะ ขอรูอาว่าอย่างนี้อัลลอฮุมะซอยฺบันนาฟิอาลอัลลอจะให้ฝนตกลงมามีประโยชน์คือเป็นอย่างนี้นะในฮะดิซ์อธิบายอย่างนี้นะบีสอนว่าต่อต่อไปนี่นะฝนตกลงมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยน้ำที่ฝนลงมาจากฟากฟ้ า, าเนี่ยไม่มีประโยชน์สัง น, นิดหนึ่งดูแม่เพราะอะไรเพราะคนอยู่บนหน้าแผ่นดินใบนนี้มันชั่วมันทาบาป ไม่สู้ดูตอัลลอฮฺอันนี้อันนี้แนนอนอยู่แล้วมันเยอะไม่สูด้ดอย่างเดียวไม่ว่ายังทําบาปอีกอะทำศีลนาฆ่ากันด่ากันฟิทนาการรวมมือกันทําลายนุนทาลายนี่ใช่ไหมอัลลอฮฺก็เลยให้ฝนตกลงมาตอนใกล้ๆวันเกีย้ยมานี่นะมีแต่น้ําอย่างเดียวน้ํามาแล้วแทนที่จะมีอะไรนะเป็นปุ๋ยสำหรั บ, บอะไรต้นไม้ไม่มีครับบรกิการไม่มีแล้วมีแต่น้าอย่างเดียว คนหน้ามาก็ท่วมก็ท่วมบ้านใกล้บ้านคนที่ทรยศต่อรอนั่นแหละแล้วก็ท่วมบ้านตคัครูด้วยที่ทำไ ม, ไม่สอนอัลลอ์ก็สอนเอกฉันเนี่ยเลือกคุณมาคนหนึ่งมามีอาเหลี่ยมอุลามะเป็นฟูรู้ในสงังคมไม่ทำหน้าที่สอนหมดเลยเพราะฉะนั้นมีอยู่กลุ่เดียววันนี้นะครับเวลาฝนตกลงมาให้ทำไงครับเอารอคุณมาซอยบานนาฟิอันอัลลอ์จะให้น้ำฝนตกลงมามีบรารกศ อย่าให้ลูกเห็บตกลงมาถูกร่างแล้วอันตรายทําให้เจ็บทําให้ตายกับพืชพันธุ์จัญญาอาหารต่างๆไปนองเพราะว่าเคยหล่นมาแล้วเคยร่วงมาแล้วในอดีตปัจจุบันนี้ก็มีนะลูกเห็บตกลงมาเนี่ยบางคนอันตรายก็มีถึงกับตายก็มีนะตัวมังกนมาเนี่ยตายหมดเลยนะนี่ไงอลัลลอฮฺพูดตั้งแกุลอ่านฟาอยุซีบูบีฮีไมยาชาให้ลูกเห็บตกลงมาเป็นอะไรนะเป็นอะไรครับ ไปถูกกับคนที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เป็นการลงโทษนะครับเป็นภัยแก่พืชผลหรือสัตว์เลี้ยงหรือคนนะครับนี่อัลลอ์ตาลาเล่าใ น, นกัฟีรุอานเพื่อให้เราได้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาละอัลลอฮฺอัลลอฮฺ ยาสรีฟูแปลว่าอัลลอฮ์ทรงให้มันพ้นไปบางคนเนี่ยให้ลูกเห็บตกลงมาถูกคนแต่บางครั้งอัลลอฮ์ไม่ให้ถูกใครเลยว่ายาสรีฟูอามายาเซะและทรงให้มันพ้นไปจากผู้ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประสรงค์เห็ไหมเพื่อนน้องเห็นอย่างกันอัลลอฮ์จัดทั้งหมดลูกเห็บตกลงมาอัลลอฮ์ก็สั่ง ถูกคนนั่นถูกคนนี้เป็นการลงโทษนี่ก็เป็นการลงโทษชนิดหนึ่งที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาแล้วก็ไม่ถูกใครเลยก็มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาเป็นประโยชน์มากเลยอัลกามตุลิลลัก็มีอุลามะอธิบายก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคือหลายๆครั้งนี่แหละตอนนั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้พัดลมก็นําเย็นพอลุกขึ้นออกพัดลมร่วง ร่วงตรงที่เขานั่งกันอยู่นี่พอลมร่วง ล, ว ง, ลวงมาปอดภัยนี่ถ้าเอาล็อให้ร่วงตอนนั่งอ่ะตายไม่ตายเหมือนกันลูกเห็บที่อยู่บนชันฟ้าก็เหมือนกันอยู่บนก้อนแวฆเนี่ยเอาล็อกให้ร่วง ล, ว ง, ลวงมาเนี่ยถูกคนก็ได้แล้วไม่ถูกคนก็ได้เอาล็อจัด ก, การจะเพียงผู้เดียวแต่ท่านก็ต้องดูพลมด้วยนะอย่างน้อยปีหนึงสองครั้งแล้วหกปีครั้งดูเถอะมันเหล็กมันจะหลุดหรือเปล่านะครับไม่ชฉลุดเองนะ เอาล้อให้หลุดและเอาล้อให้พังบางทีเอาล้อมันใส้ไค่ก็ให้คนนี้แหละถูกนึกได้ไหมนึกถึงอิหมามคนหนึ่งอยู่จังหวัดไหนชัวขึ้นไปน <c oughs> ั่นมาจากเอาล้อทั้งหมดนะไม่ใช่คิดเองนะไม่ใช่มาเองด้วยความบังเอิญ น, นะไม่มีอะไรบังเอิญบนหลวงดุนยาไปนี่นะครับเนี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีสุดนะสัตว์ขึ้นไปชนนะเพ่าแวนคนไปหมดไปชนคนคนเดียวนะ่ะ แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็วัวตัวนี้ก็มาตายที่หลังเหมือนกันหัวไอไปไปชนกับการสะพงสะพานเนื้อย่างนี้นะครับเปน้องครับวายสรีฟูหูอัมามยาชชและอลัลลอ์ทรงให้มันพ้นไปจากผู้ที่พระองค์ทรงะส์ประสงค์อัลลอฮบารทีทําว่า إ มา ا แเราเพิ่มขึ้นนะอ ي มานเพิ่มไหมเพิ่มครับต่อมาครับ ยาคดุสานาบิร์บารุบาร์ติหิไมยะจัฮบุบิลอับุซาร์ยาคดุสานาบาร์ติหิยะจัฮบุบิลอับซารอวกนี้ตอนการจะอธิบายบอกว่าสายฟ้าแลบเนีฟ้าแลบเนี่ยมาจากก้อนเมฆนั่นแหละแป๊บออกมาใช่ไหมล่ะ ดูคุอานย่าก้าดูแปลว่าแทบสานาแปลว่าแสงบัตติแปลว่าฟ้าแลบแสงของฟ้าแลบที่ออกมาจากก้อนเมฆนั้นยัสฮบูบิลอบซอเชียวลูกลู ก, กตาเชียวสายตาของมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไห ม, ไหมฟ้าแลบปั๊บเนี่โหตกชงตงใจก็เด็กบางคนร้องเลยนะเราก็ แว็บที่เข้าตาเนี่ยนี่เอารอบบอลในกพกุ้งอ่านดูแลเห็นไหมครับมีมีน้ำออกมาเนี่ยฝนออกมาจากก้อนเมฆแล้วก็มีสายฟ้าแลบออกมาจากนี้อีกเนี่ยวัดแปบบ๊แบบออกมาเนี่ยเกือบทำให้สายตาของท่านนี่นะเชียวสายตาของท่านเฉียวลูกตาท่า น, นจริงไหมจริงจริงครับเพราะนั้นเมื่อฟ้าผ่าออกมีเสียงฟ้าผ่าออกมามีดุอาอาน อันว่าไงสุบฮานะลียุซบิรอัดูฟาผานะก็แป๊บลงมาเนี่ยยุซาบิฮูรอัดูเบฮามดีวลมาล่อีกาดูมินซีฟาติอัลลอฮ์มีดูอาอันทุกขันตอนต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัลอาลาที่ตันนบีมาเนี่ยมาอธิบายเรื่องของดุนยาให้กับมนุษย์ฟังนะครับอาย่านี้ดีไหมอวักดีดีนะยากดู ศาสนาบัติฮียาสฮาบุบิลอับอซอแสงแรบแห่งสายฟ้าของพระองค์บัติฮีนี่ของของอลลัอลลอฮ์นะอัลลอฮ์จัดการแต่เ พ, พียงผู้เดียวไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนะจัดการนะไม่ใช่นะยาสฮาบุบิลอับอซอแทบเชี่ยวสายตาของพวกเขาเห็นไหม ฉะนั้นเวลาเรากลัวเนี่ยต้องนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานฮวตอ า, าฝนตกลงมาก็ น, นึกถึงอัลลอนบีทำเป็นแบบไว้นะถันยิงาชายรายงานบอกว่าเวลาอัลลอฮให้อะไรตั้งเขานะ่ฝนจะมาดีไมนะมันมืดนี่นะน บ, บีกลัวเดินเข้ามัสยิดเดินออกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าหลายเที่ยวภระยาถามว่าเดินเข้าเดินออก ทำไมอ่ะนบีก็นึกถึงพวกอาดสมูทเห็นไหมพวกอาดสมูทเนี่ยเราก็ต้องนึกแบบนบีเหมือนกันก็ต้อคิดมีความคิดแบบแบบท่านนาบามามีมูฮัมหมัดสุลัยวูซัลลัมเดินเข้าด้วยออกกลัวว่าไอ้ฟ้ามาเมื่อเนี่ยจะเป็นอาญาเป็นการทรมานเป็นการลงโทษให้กับคนในยุคนี้ <c oughs> นี่นะครับขอบคุณนะที่ท่านนาบีเป็นห่วงนะแค่นั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ นึกถึงอัลลอ์แล้วถ้ากลัวก็ขอด้อาอต่ออัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทีนี้คาว่าจิบานเนี่ยในในในในภาษาอาหรับเนี่ยอธิบายอย่างนี้แปลว่าเป็นเป็นสำนวนภาษาอาหรับจบานเนี่ย ah เป็นเป็นสำนวนแปลว่าภูเขาเช่นกาสลอตุไลลมีคนที่มีความรู้เยอะๆเนี่ยอ ah ินดะหูจิบาลุนนอลัลมีคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ก็ใช้ว่าจิบานภูเขาเหมือนกัน คนที่มีความรู้เยอะเขาเรียกว่าอินดาหูยีบาลุนมินาไลมีคนนี้มีความรู้เยอะเหมือนกันคนที่มีมีทองมีทองคําเยอะๆ เ, เขาบอกอได้นะยัมลิกูยิบาลันมินาตะหับยัมลิกเขาเป็นเจ้าของทองแท่งนะครับกษัตริย์บาลุนมินาตะหับทองแท่งพวกเขามีเยอะๆยะิบาลุสหะบุลไอซ้มกปว่ามีเมฆฝน เหมือนกับภูเขาที่อยู่บนชาน้าฉะนั้นคนที่เรียนภาษาอาหรับเรียนกุลอานนี่นะได้ความรู้เยอะนะครับเอาเลาใช้ภาษานะเพื่อให้มนุษย์คนที่อ่านกุลอานได้ใช้ภาษาอาหรับเป็นนะครับเอาต่อมาครับพี่น้องสังเกตนะจากก้อนเมฆเนี่ยมีเสียงฟ้าร้องออกมาแล้วก็มีสายฟ้าแลบออกมาเรายังมีน้ําออกมาใครทําได้ ถ้าอเอ็งทำแล้สิไม่มีใครทําได้เลยนะครับจากก้อนเมฆเนะี่ยมีอะไรนะมีฟ้าร้องมีฟ้าแลบแล้วก็มีน้ําตกลงมาอัลลอฮฺอักวัดใครทาได้นี่คุณดลของอัลลอฮฺมุฮัมมัดเอ๋ยช่วยอธิบายให้ประชาชนฟังหน่อยว่าอัลลอฮ์มีความสามารถข น, นาดนี้อย่าไปกราบดวงอาทิตย์อย่าไปกราบดวงจันทร์อย่าไปกราบต้นไม้ให้กราบอัลลอฮ์ให้พักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นครับ อัลฮ ja ah ah ja mm ัมดุลิลเลาะห์น้องนีต้องการจะอธิบายว่าอัลลอ์เนี่ยมีความสามารถสูงมากครับไม่มีใครจะมีความสามารถเท่าอัลลอฮ์แล้วนะเอาต่อมาครับอายะที่ี่สิบยุควัลิบุลลอฮุลเลイルวนนะฮาร์อินนฟิดะลิกะลัยบรตาลิุลัยบซาร ยُคَ ل บّ ب right. ُุล ا ل ل َّ ه ُ ا ل ل َّ ي ْ ل َ و َ ا ل َّ ه َ ا ر ِ إِنَّ ِุ ي ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอُ و ل ِ ا ل ْ أ ล ب ْ ص َ ا ر ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอลลอฮฺอัลลอฮฺัดการเรื่องกอัลลอฮันกับกลางคืนระดูหนาวระดูร้อน กลางวันสั้นบางทีกลางคืนยาวกลางคืนยาวบางทีกลางวันสัน้นเอาเราจัดการยังไงดูอยู่ก้อลีบุลโลก้อนลาบะอยู่ก้ลิบแปลว่าพลิกไปกับพลิกมาหัวใจของคนเขาเรียกว่าก้อนบุญถักกัลบุญลวบาสุนักนะกาบกับกอฟนะเวลาพูดต้องพูดให้ถูกนะถักก้อนบุญแปลว่านะหัวใจถักกัลบุญสุนักนะเรียกให้ชัดนะ ก้อบุญหัวใจก้อนลาบะอยู่กอนลิบไปว่าพลิกไปกับพลิกมาใครครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยทําให้อัลไรล่นี่สังเกตนะเออกลางคืนก่อนอยู่กอนลิบุลไลล่ะอยู่กอนลิบุลลอหุ่ไลแล้ววันนะฮะเอยกลางคืนก่อนแล้วก็ตามมาด้วยกลางวันเพราะอะไรเพื่อจะสอนมุสลิมอย่าเดินตามคนคนคนมุสลิม เพราะว่าอิสลามเนี่ยกลางคืนมาก่อนกลางวันใช่ไหมเรานับวันใหม่เนี่ยหลังจากมกริบตะวันตกภาพนับวันใหม่ัตนคนที่แก้บวชเนี่ยหลังจากตะวันตกดินนั่นละวันใหม่มาแล้วให้รีบแก้บวชเลยใช่ไหมยอยู่กอนล็บุลลอฮุไลลาวันฮะพระองค์อัลลอ์ทรงพลิกอ่าก้อนละบะอยู่ก้อนล็บแปลว่าพลิกหรือแปลอีอย่างก็คือ หมุนเวียนพลิกหรือหมุนเวียนอะไรครับกลางคืนอันไลแล้ววันนะฮะแล้วก็กลางวันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยอยู่ก้อนลยบุลไลแล้ววันนะฮะอัลลอฮฺเป็นผู้หมุนเวียนหรือกลับไปกลับมาให้มีกลางคืนแล้วก็มีกลางวันบางทีก็กลางวันยาวกว่ากลางคืนกลางคืนยาวกว่ากลางวันมีไหมมีครับ คืนไหนกังคืนมันยาวนอนเยอะสบายหน่อยนะถ้ากลางวันสั้นกักลางคืนยาวถ้ากลางคืนสั้นกลางคืนกลางวันยาวอัลลอัฺอัลลอฮฺจัดการทั้งหมดได้เพิ่มให้เราเบื่อไงให้นึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆนะเอาต่อมาครับตับซิษอธิบายดีนะคือกลางวันกลางคืนเนี่ยหมายถึงหนึ่งหมุนเวียนให้มีกลางคืนกลางวันสั้นกลางคืนยาว เรามีแสงสว่างมีสว่างมีรอ้อนมีหนาวมีจันทรุ ป, ปราคามีสุริ ป, ปราคาอัลลอฮ์อัลออลอฮ์นะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้ดูแลผู้จัดระเบียบไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่โต๊ะตะเกียรคนใดคุณนส่วในการสร้างของอัลลอฮ์แม่จันนี้เดียวนะฉะนั้นอย่ากาบดวงอาทิตย์อย่ากาบดวงจันทร์นะครับอยาาบ่ากาบบัวอย่ากาบนกอากทีตยแล้วพูดถึงนกใช่มเอาต่อยหลุนกอย่าไปกาบนก อนกมากินได้ไ้ยเป็นอาหารได้ไหมแต่นกยุงเนี่ยคนฮินดูเขากราบเลย น, นะคนอินเดียเนี่ยกราบนกยุงเลยนะ<笑><笑>นี่เพาราะอา่านกุรอานอัลลอฮบเข้าใจโลกดุนยานี้นะอัลฮัมดุลิลลาอาต่อมาครับอินนฟิร์ลิกแท้จริงราลิกเนี่ยแปลว่าในนั้นหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อัลลอสร้างมากลางวันกลางคืนชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ มียาวมีสั้นมีหนาวมีร้อนทั้งหมดเหล่านี้หลายบรอ๊เป็นบทเรียนหลายบรอ๊แปลว่าบทเรียนสำหรับใครนะเป็นข้อเตือนใจเป็นบทเรียนอัลลอฮอักบารลิอุลอบุซาผู้ที่มีสายตากว้างหรือคนที่มีปัญญาคนที่มีสายตาอัลลอฮให้คนมาไม่เหมือนกันนะ บางคนนี่ยเอารอเอารออ่านหนังสือปั๊บเข้าใจเข้าใจอะไรง่ายมากครับสมองดีปัญญาดีสายตายาวมองอะไรเข้าใจหมดเลยอีมานก็เพิ่มไหมเพิ่มครับทำดูแลนี่ไงครับอูลิลอบซุสอับซาบสายตาอุลีบปลว่าสายตายาวมาถึงมองอะไรเข้าใจง่ายหมดเลยครับไม่ไปกราบสิ่งเหล่านั้นแต่เราขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่กัลลิบุลลอหุลไลイルวันนาร์อัลลอฮพระองค์ทรงพลิกทรงหมุนหมุนเวียนกลางคืนและกลางวันให้กลับไปกลับมาอินฟิลลิกแท้จริงในเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นลายบร เป็นบทเรียนแน่นอนลิอลลิลอบสอสำหรับพวงผู้มีสายตานะครับผู้มีสายตาผู้มีปัญญานะพี่น้องเอาต่อมาอายาที่สี่สิพูดถึงเรื่องน้ำวัลลหุขัละกกุลละดาบะติ ม, มิมมา والله خلق كل دابة مما فمنهم ما يمشي على بطنه ومنهم ما يمشي على ر ج ل َ ي ن ومنهم ما يمشي على أربعة ي َ خلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله خلق َ كل دابة مما فمنهم ِ م ْ يمشي على بطنه َ و َ م ه ิหนุ م ไม่ยัมชีอัลลอฮ์ริจแลอินว่ามิหนุมไม ل ยัมَีอัลลอฮ์อ ع ل บะยัคลุคุ่อลาห์มะยาชาอินนัลล ا ห์อัลลอ เขาแล้วก็แปลว่าสร้างกุลลทุกทุดาบะสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหมดมิมมาอินจากน้ำอัลล์ี่เ า, าพูดแค่นี้เองพี่น้องผมไปอ่านในหนังสือภาษาอุรดูอธิบายต่อก็บอกว่าน้ำหยดเดียวน้ำานี่นะน้าหยดเดียวถ้าเข้าไปอยู่ในปากงู กลายเป็นพิษงูทำอันตรายกับคนได้น้ำยดเดียวเนี่ยถ้าใส่ไปในปากอะไรนะปากงูสิ่งที่มันออกมาคือพิษงูอัลลอฮฺอักลัฮน้ำยดเดียวถ้าเข้าไปในตัวมอนมันก็จะออกมากลายเป็นสายไหมเป็นไหมเห็นไหมข้าสาลีของใคร <laughs> อันที่สามน้ําหยดเดียวที่เข้าไปในปากกวางจะกลายเป็นปิ่นหอมชมพูเชียงออกมาเลยจากกวางนะอรอน้ําเหมือนกันนี่แหละน้ําหยดเดียวของอรอ น, นี่แหละเข้าไปในปากกวางมันจะออกมาเป็นชมพูเชียงน้ําหยดเดียวที่ไปที่เข้าไปในปากหอยจะกลายเป็นไข่มุกใครทําได้ น้ำฝนหยดเดียวกับอลัลลอฮ์เนี่ยอยมันลอยอยู่ปุ๊บลงไปเนี่ยมันอมมาไว้ไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีในท้องทะเลเน่นะไปจับหอยมามาแค่แกอลัลลอฮ์เป็นไข่มุกนั่ น, นาม า, ากถะได้นะมาจากหอยใครทำได้กับนี่ความสามารถของอลัลลอ์สุบฮานาอูวาตาลยน้ำอสูจิหยดเดียวของผู้ชายเข้าไปหยดเนี่ยมันลูกของผู้หญิงกลายเป็นข้าเป็นคนนะ่ะใครทาได้ พญากับนี่ความสามารถของใครของอัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาลน้าหยดเดียวที่เข้าไปอยู่ในปากสัตว์จะกลายเป็นฉี่ออกมาใครทำได้ <c oughs> บางชนิดเป็นพิษบางชนิดเป็นสายไหมบางชนิดเป็นสมุชียงบางชนิดเป็นไขยมุกบางชนิดเป็นเด็กบางชนิดเป็นฉี่ใครทำได้วะลลาฮูข้ลักอะุลละดาบะติมมิม อัลลอ์ผู้ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยจากน้มอัลลอฮฺอัลกบเป็นยังครับเอาทมนุษย์ใครทำได้เชิญมันกี่แสนปีมาแล้วแหะยังมีใครทำอะไรได้เลยนะเอาต่อมาครับฟามินหุมไมยามชีฮาเลบัตนีดังนั้นฟามินหุมในหมู่พวกมัน ที่เร า, าสร้างมานะไมายำชียำชีแปลว่าเดินแต่ตรงนี้แปลว่าเคลื่อนเคลื่อนไปนะหรือคลานหรือเดินสัตว์บางชนิดเนี่ยมันเดินด้วยอะไรครับอะไรบอบตัวนี้ด้วยท้องของมันอา้าวอธิบายยังไงสัตว์ที่เลื้อยไอ้สัตว์ที่เดินด้วยท้องมีเปลมีใช่ไหมอะไรบ้างงูเห็นไหมเห็นยังครับไม่มีที่ไม่ไม่มีมือไ ม, ไม่ไม่มีเท้าแต่มันเดินได้ยังยังอะ่ะ ใครทำได้ครับนี่คือความสามารถของอัลลอฮฺอย่ากลาบงูฟามินหุ่มไมย่ำชีอาระบาตนีในหมู่พวกมันนั้นมีสัตว์บางชนิดที่เดินหรือเคลื่อนย้ายด้วยท้องของมันเช่นงูนี่ปลานี่นีคุณอ่นานอธิบายหมดเลยมีงูมีมปลามีสัตว์เลื้อยคานทุกชนิด ว่ามินหูไม่ยำสีอะไรจัลัยยำชีบ่าวเดินและในหมู่พวกมันที่เดินด้วยเท้าทั้งสองอที่เดินคือชาวทั้งสองพวกเรานี่ต่อมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่แล้วก็นกใช่ไหมอุาุษอธิบายตัอสิทธิอธิบายหมดเลยนบีสาธิตเลยนี่คนกับนก Akbar, อัลลออักบต์อธิบายกบราณ ตัวรงว่ามนุษย์ที่เดินได้เนี่ยไม่ใช่เดินได้เองนะผมนึกถึงอร่อยเยอะตอนเป็นเก้าเป็นเก้านี่มีเท้าแต่เดินไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเจ็บเก้าต้องคลานสีเท้านะี่ะก็นึกเลยนี่เหมือนใครเนี่ยเจ้ายวสีเท้ามีอีกต่อไปอ่ะักต่อไปเดินสี่สีเท้าแหละไม่ต่างอะไรกับควายแพะแกะอูวควายเลย ใช่ไหมถ้าใครไม่ป่วยไม่รู้พอป่วยพับจะรู้ทันทีว่าอัลลอฮเหมือนกันอัลลอบาาบอกว่าฉันทรงนบีมูฮัมมัดมาสอนสาศาสนาเนี่ยคนมันไม่เอามันมองเป็นเรื่องยากหมดเลยอั น, นุนก็ยากไอ้ น, นี่ก็ยากเพราะอะไรเพราะว่าดุนยาเนี่ยไอความสุขบนดุนยาเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยบนดุนยาขาวมกอร่อยอร่อยบนดุนยา รสชาที่อยู่กับผู้หญิงกับภรรยาอร่อยอร่อยนี่นะมันบังตามองอะไรไม่เห็นไม่ไม่สามารถนึกถึงภาพอาัลลอฮ์ได้เลยเวลาอัลลอฮ์เอาม่านม่านดุนยาออกปั๊บนะฟักชัฟนาอังกา ร, ริอตอากะเมื่ออัลลอฮ์เอาอะไรนะม่านบังตาของโลกดุนยาออกนะวันนั้นสายตาของท่านจะคมกริบเห็นหมดเลยเห็นอัลลอฮ์เห็นสวรรค์เห็นมล า, ายกาอัลลอฮ์อียา ฉันนี่พลาดไปแล้วจะมากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไหมก็อัลลลลอฮฺให้เกิดมาสองครั้งตายสองครั้งจะเอาสาครั้งเหรอน้องครับวันนี้นะม่านดุญยาเนี่ยหลอกเราไม่เอาอิสลามม่านดุญยาหลอกเราไม่เอานาบีมุฮัมมัดไม่เอาสุนนะของท่านนาบีเอาตัวยอดแทนเอาประเพณีปฏิบัติแทน พี่น้องอย่าลืมนางซุนน่านาบีแ ต, แต่ละข้อแต่ละข้อนี่บรารักัดกับชีวิตนะทัฟฟิกหยุดบนชั้นฟ้าขนาดไหนอ่ะประทานอัลกรุรอาน ล, ลงมาวาฮีฮะกันนบีมุฮัมมัดนะจราจรปิดหมดบนชั้นฟ้าใครลงมาหานาบีมองนบีเล็กอ่ะพี่น้องอย่ามองนบีเล็กนะนบีนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดทัฟฟิกหยุดเจราจรหยุดเมลัยชายตอนกับยินต้องการจะขึ้นไปข้างบนเจออะไรนะเจอยาม ที่เข้มแข็งยืนเฝ้าแล้วก็มีเพลิงไฟด้วยอย่าขึ้นมานะจะให้กุรอานลงมหาราบี ม, มุสลมิมลมขนาดนี้ในท่านอย่าดูถูกสุนนะนาบีต้องให้เกียรติสุนนะนาบีนะนะนอนตามสุนนะนบีกินตามสุนนะนาบีเข้าวของน้ำตามสุนนะนาบีติดต่อกะยา่าก็ต้องตามสุนนะนบีเคารพเกียรติให้เปียดพ่อแม่ตามสุนนะนาบีเพราะมันเป็นบรรากาศของชีวิตทั้งหมดเลยทําให้สุขภาพจิตดีด้วยนะ คนที่เดินตามนาบีอาจารย์ น, นั้นขอเล่าเน็ดนะโดนซุนนะนบีของพวกเราวันนี้นะให้นอนแต่แต่อะไรครับแต่หัวคำ่ำจะได้ตื่นตอน ต, ตี3สามครึ่งตีสี่เขอเล่าเ น, นิดนึงนะผมอ่านหนังสือพบกมีคนแบกหามอยู่คนหนึ่งนะซึ่งลูกชายของคอริฟาเนี่ยนั่งอยู่บนพระราชวางังแล้วก็มองดูประชาชน ก็จับตาดูคนแบกหามอยู่คนหนึ่งอะ่ะมองมาสีวันห้าวันแล้วก็สงสารนะนะแบกของแบกของแบกของก็เรียกคนนี้นะมาเข้ามาในพระราชวังบอกว่าฉันเชิญคุณมาอยู่กับฉันที่นี่เอาไหมบอกไม่เคุณจะได้สบายคุณไม่ต้องไปกุ้มอกกุ้มใจทำงานเหนื่อยคณแบกหามบอกไงรู้ไหมคนที่กุ้มอกกุ้มใจ คนที่เสียใจก็คือคนที่ทําบาปคนที่ตื่นชาติขึ้นมาทรายศต่อเลาะตอนเย็นทรยศต่อเลาะคนน่าเป็นคนที่กุ้มใจแล้วก็เสียใจฉันไม่เคยกุ้มใจเหมือนกับสอนสอนที่ไนะลูกชายกอลีไฟาาถามว่าที่บ้านคุณนะ่ะอยู่กันกี่คนอยู่กันสองคนสามคนแม่กับพี่สาวตาบอด อยู่ของสามคนบอกใช่ฉันเนี่ยออกมาทำมาหากินมาหาริสกีของกอลล็อกพอกลับไปถึงบ้านตอนเย็นไปแก้บวชพร้อมๆกันเพราะแม่ฉันบวชพี่สาวตาบอดก็บวชไปแก้บวชพร้อมๆกันตอนตอนเย็นโอ้โหนี่สอนใครเนี่ยสอนลูกชายกอลิฟะแล้วก็ถามว่าคุณตื่นนอนกี่โมงไม่พูดว่าตอนตีสามครึ่งนะแม่พูดนะฉันตื่นนอนแลวคนทั้งบ้านตื่นหมด แม่ก็ตื่นพี่สาวตาบ่อยก็ตื่นตอนที่อัลลอฮ์ลงมาประทับที่ช้องฟ้าชั้นแห่งโลกดุนยาชั้นตื่นนอนเวลาที่อัลลอฮ์ลงมาประทับที่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยาลุงชายคอลิฟ้าต้องคิดเนะอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้ใช่ไหมนะชั้นตื่นนอนตอนที่อัลลอฮ์ลงมาอยู่ที่ชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยาตอนตอนตีกี่โมงทีสามกว่า ก็บอกฉันเชิญท่านให้มาอยู่กับฉันที่นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยถึงเวลากินถึงเวลานอนนอนบนที่นอนนิมน่มๆบอกไม่เอาทำไมฉันกลัวหัวใจของฉันจะ ก, กระด้างฉันกลัวหัวใจของฉันจั ก, กระด้างที่อยู่แล้วอยู่สบายไม่ต้ทําอะไรเลยมีคนจัดการให้ทั้งหมดกลัวหัวใจจะ ก, กระด้าง นี่สอนใครรู้ไหมสอนลูกชายกอริฟะตั้งแต่วันนั้นมาลูกชายกอริฟะเปลี่ยนเลยนะ่ะอ๋อเนี่คนแบกหามธรรมดาเนี่ยเขาเข้าใจอิสลามเขาใช้ชีวิตท่านสรุปแล้วนะคนที่มีทํางานทาํนนาการนี่ต้องปฏิกิจกรรมชีวิตนะ่ะถ้าไม่ทํางานก็เล่นกล้ามใชไม่ไม่ใช่อะเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเหมือนกะันอะเดินไปมาทำงานทำงานส่วนใหญ่ไม่ทําต้องไปเดินออกกําลังกายสวนหลวงหรอ รอเก้าแลับไปทําไมอ่ะทำไมไมาทํางานแสวงหาทฤษกีต้องลอดยกนุ่นยกนี่ไม่ดีกว่าเนะลยอัะนี้ก็เขาก็หาวิธีออกกันสำหรับคนที่อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรต้องกินนุ่นกินนี้ออลล่อออไปก็ว่ากันไปนะโดนยา ก, ก็มีทางแก้ของมันนะนะเอาสรุปจากอาญาดีก็คืออัลล่ อ, ลอสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาจากน้ําอัลล่ อ, ลอสร้างบางคน บางสิ่งให้เดินด้วยทองของมันวามินหุมไมยมชีอาลาดิจลาอินและในหมู่พวกมันนะครับที่เดินด้วยสองเท้าก็คือนกและก็คนวามินหุมไมยมชีอาลาอารบะและในหมู่พวกมันที่เดินด้วยสี่เทา้าอ้าคำว่าสี่เท้าก็บสีขานีา่ยแหละมีอะไรบ้าง อะไรบ้างมีนกแล้วก็มีอะไรบ้างนะมีสัตว์เยอะแต่สีขาใช่ไหมล่ะแพะแกะวัวควายใช่ไหมแมลงแมงป่องหรือว่าแมลงป่องนผมมานั่งศึกษามาคืนนี้นะเขาไม่เรียกแมลงป่องเขาเรียกแมงป่องแมงป่องนี้มีแปดขาอ่าดูกรุรานวายะขลุคุลลาหุมายาชา และเราได้สร้างตามที่อัลลอฮส่งประสงค์จะสร้างกี่ขาก็ได้ที่เอ่ยมานะ่คลานเลื่อยสองขาแล้วก็สี่ขาแปดขามีไหมแมงป่องเอ้ยไม่ใช่แมงอะไรนะแมงมุมนะแปดขานะเมื่อคืนก็เปิด <c oughs> เปิดดิกชันนรีดูแลเปิดตำราดูนะ แ ม, ง ม, ม, ม, 8, 8แมงมุมมี8ขาแมงมุมีมป8ขาแมงปองเห็บเหาตัวอะไรอยู่ในสัตว์ม น, นี่หลายขาเหมือนกัน